ชาวเมืองเวรัญชาถึงพระรัตนตรัยเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพวกสมณพราหมณ์และข้าพดีชาวเมืองเวรัญชาได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระพาสิคของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญพระภาสิคของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ท่านพระโคโดมทรงประกาศ ร, รมแจมแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ทั้งหลายนี้ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่า เป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตดังนี้แหลเวรัญชะกะสูตรที่สองจบ 3. มมหาเวทันลสูตรว่าด้วย การสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรใหญ่ปัญญากับวิญญาณข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นในเวลาเย็นท่านพระมหาโกธิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระมหาโกธิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาซามผู้มีปัญญาซามเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาซามท่านพระสารีบุตรตอบว่า ท่านผู้มีอายุบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสามบุคคลไม่รู้ชัดอะไรคือไม่รู้ชัดว่านิทุกนิทุกขสมุทัยนิทุกขานิโรธนิทุกขนิโรธคาไม่หนีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลไม่รู้ชัดบุคคลไม่รู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสาม ท่านพระมหาโกติกะชื่นชมยินดีพาสิของท่านพระสารีบุตรว่าดีละท่านผู้มีอายุแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าท่านผู้มีอายุบุคคลที่เรียกว่าผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดเหตุนั้นจึงเรียกว่าผู้มีปัญญา บุคคลรู้ชัดอะไรคือรู้ชัดว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเหตุนั้นบุคคลรู้ชัดบุคคลรู้ชัดจึงเรียกว่าผู้มีปัญญาสภาวะที่เรียกว่าวิญญาณวิญญาณเพราะเหตุไรน้อแลจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้ง เหตุนั้นจึงเรียกว่าวิญญาณสภาวะรู้แจ้งอะไรคือรู้แจ้งสุขบ้างรู้แจ้งทุกบ้างรู้แจ้งอทุกขามสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะรู้แจ้งสภาวะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่ ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะปัญญารู้ชัดสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นวิญญาณรู้แจ้งสิ่งใดปัญญาก็รู้ชัดสิ่งนั้นเหตุนั้นทำสองประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุ ปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่มีกิจที่จะพึงทำต่างกันบ้างหรือไม่ท่านผู้มีอายุปัญญาและวิญญาณสองประการนี้รวมกันไม่แยกกันแต่ปัญญาควรเจริญวิญญาณควรกําหนดรู้นี้เป็นกิจที่จะพึงทำต่างกันแห่งธรรมสองประการนี้ เวทนาสัญญาและวิญญาณท่านผู้มีอายุสภาวะที่เรียกว่าเวทนาเวทนาเพราะเหตุไรนอแลจึงเรียกว่าเวทนาท่านผู้มีอายุสภาวะเสวยอารมณ์สภาวะเสวยอารมณ์เหตุนั้นจึงเรียกว่าเวทนาสภาวะเสวยอารมณ์อะไรคือเสวยอารมณ์สุขบ้างเสวยอารมณ์ทุกบ้าง สวยอารมณ์อาทุคมาสุขบ้างเหตุนั้นสภาวะสวยอารมณ์สภาวะสวยอารมณ์จึงเรียกว่าเวทนาสภาวะที่เรียกว่าสัญญาสัญญาเพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายเหตุนั้นจึงเรียกว่าสัญญาสภาวะกำหนดหมายอะไรคือกำหนดหมายสีเขียวบ้าง กำหนดหมายสีเหลืองบ้างกำหนดหมายสีแดงบ้างกำหนดหมายสีขาวบ้างเหตุนั้นสภาวะกำหนดหมายสภาวะกำหนดหมายจึงเรียกว่าสัญญาเวทนาสัญญาและวิญญาณสาประการนี้รวมกันหรือแยกกันและสามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้หรือไม่เวทนาสัญญาและวิญญาณสาประการนี้ รวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้เพราะเวทนาสวยอารมณ์สิ่งใดสัญญาก็กำหนดหมายสิ่งนั้นสัญญากาหนดหมายสิ่งใดวิญญาณก็รู้แจ้งสิ่งนั้นเหตุนั้นทำสามประการนี้จึงรวมกันไม่แยกกันและไม่สามารถแยกแยะบัญญัติหน้าที่ต่างกันได้ท่านผู้มีอายุ พระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีห้าจะพึงรู้อะไรท่านผู้มีอายุพระโยคาวจรผู้มีมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์สละแล้วจากอินทรีห้าพึงรู้อากาสานันจายตนะฌานว่าอากาศหาที่สุดมิได้พึงรู้วิญญาณนันจายตนะฌานว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ พึงรู้อากินจัญญายตนะฌานว่าไม่มีอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยอะไรพระโยคาวจรย่อมรู้ธรรมที่ตนจะพึงรู้ด้วยปัญญาจากสุปัญญามีไว้เพื่ออะไรปัญญามีไว้เพื่อความรู้ยิ่งเพื่อการกําหนดรู้และเพื่อการละ ปัจใจแห่งสัมมาทิฏฐิท่านผู้มีอายุปัใจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีเท่าไรท่านผู้มีอายุปัใจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการคือ 1. ปรตโตโคสะการได้สดับจากบุคคลอื่น 2. โยนิโสมนัิการการมโนสิการโดยแยบคายปัใจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีสองประการนี้แล สัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสง์มีปัญญาวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสง์เพราะมีองค์ธรรมเท่าไหร่สนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีเจโตวิมุตตเป็นพลานิสง์มีปัญญาวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นพลานิสง์ เพราะมีองค์ธรรม5ประการสนับสนุนคือ 1. มีศีลสนับสนุน 2. มีสุตะสนับสนุน 3. มีสากัดฉาสนับสนุน 4. มีสมถะสนับสนุน 5. มีวิปัสสนาสนับสนุนสัมมาทิฏฐิซึ่งมีเจโตวิมุตตเป็นผลและมีปัญญาวิมุตตเป็นลานิสงมีปัญญาวิมุตตเป็นผล และมีปัญญาวิมุตเป็นพลานิสงเพราะมีองค์ธรรมห้าประการนิแลสนับสนุนพบและชาญท่านผู้มีอายุพบมีเท่าไรท่านผู้มีอายุพบมีสามคือ 1. การมาพบ 2. รูปประพบ 3. อรูปปะพบการเกิดในภพใหม่ต่อไปมีได้อย่างไรเพราะความยินดียิ่งในอารมณนน์นั้นๆของเหล่าสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกีดกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกพันไว้การเกิดในภพใหม่ต่อไปย่อมมีได้อย่างนี้การเกิดในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างไร เพราะอาวิชาสิ้นไปเพราะวิชาเกิดขึ้นและเพราะตัณหาดับไปการเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปไม่มีได้อย่างนี้ท่านผู้มีอายุปฐมฌานเป็นอย่างไรท่านผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวิเนยนี้สงดจากกามและอุศิธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ ฌานนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าปฐมฌานปฐมฌานมีองค์เท่าไรปฐมฌานมีองค์ห้าคือภิกษุเมื่อเข้าปฐมฌานย่อมมีหนึ่งวิตกสองวิจารสาปีติสสุขหเอกคตาปฐมฌานมีองค์ห้าอย่างนี้ปฐมฌานละองค์เท่าไรประกอบด้วยองค์เท่าไร ปมฌานและองค์5ประกอบด้วยองค์5คือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เข้าปฐมฌาน 1. และกามฉันทะ 2. และพยาบาท 3. และถีนมิทะ 4. และอุทจักกุกกุจจะ 5. และวิจิกิจชาได้แล้วย่อมมี 1. วิตก 2. วิจารส์ 3. ปีติ สสุข5เอกคตาปฐมฌานละองค์5ประกอบด้วยองค์5อย่างนี้อินรีหท่านผู้มีอายุอินรีหประการนี้คือ หจากขุนศีสโซตินรีสามคานินรีส 4. ่ชิวหินรีห้ากายินรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีห้าประการนี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกัน จะมีอะไรเป็นที่อาศัยและทำอะไรรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปแห่งอินทรีห้าประการนั้นท่านผู้มีอายุอินทรีห้าประการนี้คือหนึ่งจากขุนศรีสองโซตินศรีสคานินศรีสี 4. ชิวหินศรีหกายินศรีมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกัน ไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เทีย่ยวไปของกันและกันเมื่ออินทรีย์เหล่านี้มีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่รับรู้อารมณ์อันเป็นที่เที่ยวไปของกันและกันมีใจเป็นที่อาศัยและใจย่อมรับรู้อารมณ์อันเป็นที่เทีย่ยวไปแห่งอินทรีย์เหล่านั้นท่านผู้มีอายุอินทรีย์หประการนี้คือหนึ่งจากขุณศีสองโซตินทรีย์ สาคานินศรียี่ชิวหินศรีย้ากายินศรียอินศรีย์าประการนี้อาศัยอะไรดํารงอยู่ท่านผู้มีอายุอินศรีย์าประการนี้คือ1จากขุนศสอโสตินศรียามคานินศรีสี่ชิวหินศรีห้ากายินศรียอินศรีย์าประการนี้อาศัยอายุดํารงอยู่ อายุอาศัยอะไรดำรงอยู่อายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอะไรดำรงอยู่ไออุ่นอาศัยอา ย, อาา ย, ยุดำรงอยู่ผมรู้ทั่วถึงพาสิทธิ์ของท่านพระสารีบุตรในบัดนี้เองอย่างนี้ว่าอายุอาศัยไออุ่นดำรงอยู่และไออุ่นอาศัยอา ย, ยุดำรงอยู่แต่ผมจะพึงเข้าใจความแห่งพาสิทธิ์นี้ได้อย่างไร ถ้าเช่นนั้นผมจักอุปมาให้ท่านฟังเพราะวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมทราบความแห่งพาสิทธิได้ด้วยอุปมาเมื่อประทีปน้ำมันกําลังติดไฟอยู่แสงสว่างอาศัยเปลวไฟจึงปรากฏเปลวไฟก็อาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอยู่แม้ฉันใดอายุอาศัยไออุ่นดารงอยู่ไออุ่นก็อาศัยอายุดารงอยู่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทินิยธรรมเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านผู้มีอายุอายุสังขารกับเวทินิยธรรมไม่เป็นอันเดียวกันถ้าอายุสังขารกับเวทินิยธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทยินิโรก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะอายุสังขารกับเวทินิยธรรมต่างกัน ฉะนั้นการออกจากสมาบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทยิตนิโรธจึงปรากฏเมื่อทมเท่าไหร่ละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนาเมื่อทำสามประการคือหนึ่งอายุสองออุุนสวิญญาณละกายนี้ไปกายนี้จึงถูกทอดทิ้งนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ที่ปราศจากเจตนา สัตว์ผู้ตายคือทํากาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทียิตนิโรธต่างกันอย่างไรสัตว์ผู้ตายคือทํากาละไปแล้วมีกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารดับรงงะงับไปมีอายุหมดสิ้นไปไม่มีไอายอุ่นมีอินทรีย์แตกทําลายส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทียิตนิโรธมีกายสังขาร วจีสังขารและจิตตสังขารดับระ ง, งับไปแต่อายุยังไม่หมดสิ้นยังมีไออุ่นมีอินทรีย์ผ่องใสสัตว์ผู้ตายคือทำกาละไปแล้วกับภิกษุผู้เข้าสัญญาวเวทียิตนิโรดต่างกันอย่างนี้ ปัจจัยแห่งเจโตวิมุตต์ท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีเท่าไหรท่านผู้มีอายุปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการคือ 1. เพราะละสุขได้ 2. เพราะละทุกข์ได้ 3. เพราะโสมนัตดับไปก่อน 4. พระโธมณตดับไปก่อนแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จึงบรรลุจตุัฌานซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์เพราะอุบเบกขาอยู่ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตตซึ่งไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสี่ประการนี้แลปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ ปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือ 1. การไม่มนัสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การมนัสิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมี2ประการนี้แลปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ ปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการคือ 1. ไม่มนาิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. มนาิการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิต 3. อภิสังขารในเบื้องต้นปัจจัยแห่งการตั้งอยู่แห่งเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสามประการนี้แหล ปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีเท่าไหร่ปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการคือ 1. การมานาสิการถึงนิมิตทั้งปวง 2. การไม่มานาสิกการถึงนิพพานธาตุซึ่งไม่มีนิมิตปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์ซึ่งไม่มีนิมิตมีสองประการนี้แหลท่านผู้มีอายุ ทำเหล่านี้คืออัปมานาเจโตวิมุตตอากินจัญยาเจโตวิมุตต์สุญญาเจโตวิมุตต์ตอนิมิตตาเจโตวิมุตต์มีอัดต่างกันมีพยัญชนะต่างกันหรือมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นท่านผู้มีอายุเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นมีอยู่ อนนัเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นมีอยู่เพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สาทิศที่สี่ทิศเบื้องบน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 แพ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยอุเบกขาจิตแอนไยบูลเป็นมหาคตะไม่มีขอบเขตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่นี้เรียกว่าอัปมานาเจโตวิมุตตอากินจัญญาเจโตวิมุตตเป็นอย่างไรคือเพราะล่วงวิญญาณัญาัตนาชาญโดยประการทั้งปวงภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ บรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตต์สุญญาตาเจโตวิมุตติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้ว่างจากตนบ้างจากสิ่งที่เนื่องด้วยตนบ้างนี้เรียกว่า สุญตตาเจโตวิมุตตอา น, นิมิตตาเจโตวิมุตตเป็นอย่างไรคือภิษุในพระธรรมวินัยนี้บรรลุอา น, นิมิตตาเจโตสมาธิเพราะไม่มนศิการถึงนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอา น, นิมิตตาเจโตวิมุตตเพราะอาศัยเหตุใดทําเหล่านี้จึงมีอัตต่างกันและมีพยัญชนะต่างกันเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แหล เพราะอาศัยเหตุใดญ่ทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกันต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างไรคือราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องวัดกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขี่นาศบละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตต์อันไม่เคลิมเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอัปมานาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่เคลมเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลปเป็นเครื่องกังวลโทสะชื่อว่ากิเลปเป็นเครื่องกังวล โมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องกังวลกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขี่นาศกละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เจโตวิมุตต์อันไม่เคลมเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิกกว่าอากินจัญญาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่ เจโตวิมุตต์อันไม่เคมเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะราคะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโทสะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตโมหะชื่อว่ากิเลสเป็นเครื่องทำนิมิตกิเลสเหล่านั้นภิกษุผู้ขีนาศละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้ว เหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ท่านผู้มีอายุเจโตวิมุตต์อันไม่คยเริบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเลิศ ก, กว่าอานิมิตาเจโตวิมุตต์ที่มีอยู่เจโตวิมุตต์อันไม่เคยเริบนั้นว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะเพราะอาศัยเหตุใดทำเหล่านี้จึงมีอัดอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้นเหตุนั้นเป็นอย่างนี้แหลท่านพระสารีบุตรเรียกล่าวภาสิทนี้แล้วท่านพระมหาโกธิกะมีใจยินดีชื่นชมภาสิทธ์ของท่านพระสารีบุตรดังนี้แหลมหาเวทัละสูตรที่สามจบ จูละเวทันละสูตรว่าด้วยการสนทนาธรรมที่ทำให้เกิดปัญญาสูตรเล็กสักกายทิฐิข้าปเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันกลันตกะนิวาปสถานเขคขคุรงราชฤกครั้งนั้นอุบาสกชื่อวิสาขะเข้าไปหาภิกษุณีชื่อธรรมทิ น, นาถึงที่อยู่ น้อมไหว้แล้วนั่งนาที่สมควรแล้วได้ถามธรรมทินนาภิกษุณีว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายะสักกายะทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะธรรมทินนาภิกษุณีตอบว่าท่านวิสาขะอุปาทานขันห้าประการคือหนึ่งรูปูปาทานขัน อุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. ส, สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณท่านวิสาขะ อุปาทานขันห้าประการนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะวิสาขาอุบาสกชื่นชมอนุโมทนาภาสิทของธรรมทินนาภิษุณีว่าดีละแม่เจ้าแล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่าแม่เจ้าขอรับพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสกายะสมุทัยสกกายะสมุทยักก ย, ท, ยทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า สักกายสมุไทยท่านวิสาขะตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆคือกามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหานี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายสมุไทยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายนิโรธสักกายนิโรธ ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายานิโรธ ah ความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราค ะ, คว า, ะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานั้นนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายานิโรธพระผู้มีพระภาคตรัสว่าสักกายานิโรธค า, า, า, าม่นิปฏิปทาสักกายนิโรธคาม่นีปฏิปทา ทำอะไรที่พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรทคามินีปฏิปทาอรียมักมีองค์8ดได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสองสัมมาสังกัปปะดำริชอบสสัมมาวาจาเจรจาชอบสสัมมากัมมันตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะ พยายามชอบเจ็ดสัมมาสติระลึกชอบแปสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะนิโรทคามินีปฏิปทาแม่เจ้าขอรับอุปาทานกับอุปาทานขันห้าเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันท่านวิสาขะ อุปาทานกับอุปาทานขันห้าทั้งไม่เป็นอันเดียวกันทั้งไม่ต่างกันความกำหนัดพอใจในอุปาทานขันห้าก็คืออุปาทานนั่นเองแม่เจ้าขอรับสักกายทิฐิมีได้อย่างไรท่านวิสาขะปุถุชนในโลกนี้ผู้ยังไม่ได้สดับไม่ได้พบพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยไม่ได้รับคาแนะนาในธรรมของพระอริย ไม่ได้พบสัต <Hoch sch at> บุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุร um ุษไม่ได้ร <P> ับคำแนะนำในธรรมของสัตบุร <flawed> ุษพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอ <aire> ัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างพิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในรูปบ้างพิจารณาเห็นเวทนาละถึงพิจารณาเห็นสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลาย พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณบ้างพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างศักยทิฏฐิมีได้อย่างนี้แลแม่เจ้าขอรับศักยทิฏฐิไม่มีได้อย่างไรท่านวิสาขะพระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้ว ได้พบพระอริยะทั้งหลายฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับคําแนะนําดีแล้วในธรรมของพระอริยะพบสัตบุรุษทั้งหลายฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับคําแนะนําดีแล้วในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาบ้าง ไม่พิจารณาเห็นอัตราว่ามีรูปบ้างไม่พิจารณาเห็นเวทนาละถึงไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตราว่ามีวิญญาณบ้างไม่พิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาบ้างไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณบ้างสักยติทิฏ ไม่มีได้อย่างนี้แหล